เป็นนั้นว่าวันนี้ก็ขอนำนิวรณห้าประการในมาหาปฏิปทานนูตรมาแนะนำท่านก็ขอท่านหล่อยได้โปรดรับทราบไปด้ว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ า, วาผมเป็นภาษาสดาเสง ด้านเพื่อป้องกันกันที่จะคิดว่าผมเป็นศาสนาเสเองก็ข อ, อนำพระบาลีขึ้นต้นโดยย่อพอเป็นยิทัศนะมากล่าวให้ท่านฟังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสท่านตรัสว่ากระทันจะพิกวีพิคุทามเมสุธมานุปัสสีวิหารติเป็นตน้นความในข้อนี้มีว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย ก็อย่างไรพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมอยู่เนียงๆ อ, อยู่ก็ดูก่อ น, นพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าก็ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อย่างไรพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ น, อนิวรณ์ห้า ดูก่อนพิสุทธั้งหลายภิสุในพระธรรมวินัยนี้เมื่อกามฉันทะความพอใจในกามอารมณ์มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะมีภายในจิตของเราเมื่อกามฉันทะไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะไม่มีภายในจิตของเรา อันหนึ่งความที่กรรมมชันทะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งกรรมมชันทะที่เกิดขึ้นแล้วอันหนึ่งกรรมมชันทะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นมันน่าจะธรระละจะตกธรรมละแล้วเนี่ย <c oughs> ย่อมรู้ด้วยประการนั้นด้วยอันหนึ่งกามาชันทะที่อันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งพยาบาทความคิดแช่งสัตว์ให้พินาศมีณในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ในจิตของเรา หรือเมื่อพยาบาทไม่มีภายในจิตก็ยอมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่พยาบาทอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้รด้วยประการนั้นอันหนึ่งความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ ด, ด้วยประการนั้น อันหนึ่งความที่จะบาตรอันตนละแล้วไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งทีนมิทะความคา้า่งความคลั่งกายเริงโงงเหงาทีนมิทะความคลั่งกายนี้หมายถึงความขี้เกียจด้วยความงมงมงงงความงงเหงามีในจิตย่อมรู้ชัดว่าทีนิมิทะมีอยู่ในจิตของเรา หรือว่าท so ีนม pues ิทะไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชิชัดว่าทีนมิทะไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งความทีฐีนมิทะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละทีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละทีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้น อันหนึ่งความดีถีนมิทะอันตนละสิ็นแล้วไม่เกิดขึ้นดนปรการใดย่อมรู้ในประการนั้นอันนึงอุทจจะความฟุ้งซ่านและลำคาญใจมีนาในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทจจะกุโจะมีอยู่ในจิตของเราย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาขอโทษหรือว่าเมื่ออุทจจะไม่มีห น, น้าในจิต ก็ย่อมรู้ชัดว่าอุทจจะไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่อุทจจะจะอันจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งการละอุทจจะที่จะเกิดขึ้นแล้วเสียได้โดยประการใดย่อมรู้ด้วยประการ น, นั้นอันหนึ่งความที่อุทจจะจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอันตนละใดแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกโดยประการใดย่ยอมรู้ด้วยประการนั้น อันหนึ่งวิจิิจฉาความเครือบแคลงสงสัยภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิิจฉามีอยู่ในจิตของเราหรือเมื่อวิจิิจฉาไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าวิจิิจฉาไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่มีจิตกิจฉาอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยการใด ก็ย <de> ่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึงความที่วิจิตรช้าเกิดขึ้นแล้วเสด็จประการใดย่อมรู้ดุจประการนั้นอันหนึงความที่วิจิตรช้าตนละแล้วเสด็จประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นดังนี้พิสุย่อมพิจินาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นทั้งภายในภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในบ้างย่อมพิจารณาหนธรรมดาคือความเสื่อมขึ้นความเสื่อมไปภายในบ้างในธรรมบ้างย่อมพิจารณาหนธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งไว้เฉพาะหน้าจะ่เธอ แต่เพียงศัตวว่าเป็นที่รู้แต่เพียงศัตวว่าเป็นที่อาศัยระลึกย่ยอมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าอย่างนี้นี่เนื้อของพระบา ล, ลีที่องค์สมเด็จพระจินทร์สีบรมันศาสดาสมมาสมุทัเจ้านำมาสอน ในตอนต้นเป็นสมถภาวนาในตอนหลังเป็นวิปัสนาภาวนาตอนนี้ก็มาคุยกันคุยกันถึงเรื่องที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่า น, นิวรณ์ห้ารายการนั้นก็มีอยู่หนึ่งกามชันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มนวลคือสัมผัสที่เรามีความต้องการ นี่อย่างหนึ่งสองโทสะและพยาบาทคือการคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นอย่างหนึ่งสามีนมิทะความโง่เหงาเหานอนอย่างหนึ่ง 4. อุตจักกุกุจักความพุ่งสั้นลำคาญอย่างหนึ่ง 5. วิจิกิจฉาความสงสัยในคําสั่งและคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง นี่รวมแล้วก็มีอยู่ห้าอย่างนี้ถ้าเราจะพิจารณาตามคำแนะนำขององค์สมเด็จตสมมาสมพุทธเจ้าตอนนี้ถ้าหยุดจิตจิตานุปัสสนามหาธิปฐานเินศูนย์ท่านบอกว่าจิตเรามีความรู้สึกว่านิวนรห้าประการคือกามชันทะพยาบาทอุตจะกกุโจะินวิทะวิจิกิจฉา มันเกิดขึ้นในจิตของเราเราก็รู้ว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในจิตของเราหรือว่าสิ่งทั้งห้ารายการนี้มันไม่เกิดในจิตของเราเราก็รู้ว่ามันไม่เกิดในจิตของเราถ้าสิ่งทั้งห้ารายการที่มันเกิดขึ้นแล้วเราละไปได้ด้วยอาการอย่างไรเราก็มีอารมณ์รู้อยู่ว่าเราละไปได้ด้วยอาการอย่างไร นี่คือวา่าอาจิตเข้าไปรู้ไว้เป็นด้านสมถาภาวนาเท่านี้เข้าใจแล้วหรือยังถ้าเป็นผมฟังเองผมก็ไม่เข้าใจจะได้ว่าผู้ท่านรับฟังผู้ท่านเข้าใจหรือเปล่าผมก็เข้าใจว่าท่านยังไม่เข้าใจ หรือว่าบางท่านที่ศึกษามาแล้วอาจจะเข้าใจดีสําหรับพระเก่าและนักปฏิบัติเก่าสําหรับนักปฏิบัติใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจก็เลยถือมมเมว่าท่านยังไม่เข้าใจไว้ก่อนขอแนะนำตามคำสอนขององค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการมฉันทะมันเกิดขึ้นในจิตของเราอารมณ์รัก รักรูปสวยจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุ ก, ก็ชังเหมือนกันหมดอย่าไปมุ่งเอาแต่เฉพาะคนอย่างเดียวขึ้นชื่อว่ารูปสวยไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดเป็นรูปเหมือนกันถ้าเราพอใจในรูปสวยคิดว่ามันจะสวยทรงตัวนี่เป็นกิเลสเสียงเพราะ เสียงคน เ, เสียงสัตว์เสียงเสดสีดีเปล่าคนดนตรีเสียงของสีกันเสียงไม้กระทบกันเสียงโลหะกระทบกันถ้าติดใจในเสียงนั้นเป็นกิเลสเป็นกามไฉันทะกลิ่นหอมจะเป็นกลิ่นอะไรก็ช่างถ้าใจยังติดอยู่ในกลิ่นหอมยังจัดว่าเป็นกิเลสรสอร่อยถ้าเราติดในรสก็เป็นกิเลส อาการสัมผัสทางกายถ้าพอใจในการสัมผัสมันก็เป็นกิเลสเนี่ยอาการห้าอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นในจิตของเราหรือเปล่าท่านให้พิจารณาว่าเสมอจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานนี่เป็นตัวยืนถ้าเราจะเดิญเป็นกรรมฐานที่อาการจิตตานุปัสสนามหาสิปัฏฐานเสร็จแล้วเราก็เสร็จ ท่านบอกว่ามาหาสติปทานให้เอาสติเข้าไปคุมจิตไว้เสมอนี่สมมติว่าถ้าการมาชันทาประเภทนี้ไม่เกิดขึ้นเราจะหักล้างมันเวลาที่มันไม่เกิดขึ้นมีอารมณ์โปร่งแล้วก็รู้ไอ้ตัวนี้ไม่ต้อคุณละเอาว่าถ้าไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะหักล้างมันด้วยวิธีไหน วิธีที่จะหักล้างการมาชันทะนั่นก็คือต้องใช้อาสุ ป, ปรกรรมฐานเพราะไม่ต้องสินะในมหาปฏิปฐานนัส่วก็มีปฏิโกฏิสัญญ า, าอาการสามสิบสองที่เราฟังกันมาแล้วว่าร่างกายของคนและสัตว์มันมีสภาวะสุขบกโกแบ่งส่วนออกไปอาการสามสิบสองเต็มไปด้วยความสุขบกโสโครกเมื่อการคนแล้วกัน โอจาระปัสสาวะนำเลือดนำเหลืองนำหนองเสเลตทำลายอันนี้มันสะอาดและมันสกปรกหรือว่าธาตุบับเอาจิตถอยลงไปหาตัวต้นธาตุสีที่ประคุมกันเข้ามาร่างกายมันเป็นของสะอาดและสกปรกนี่เราศึกษาได้มาแล้วมันเป็นของสกปรกหรือว่านวสีทำน้ำเข้าไปนอนอีก นวสีนั่นก็คือหมายความว่าคนที่ตายแล้ววันหนึ่งสองวันสาวันห้าวันสิบวันก็ว่าเลื่อยไปมันขึ้นเน่าอืดคลอนจนกระทั่นดำเหลืองไหลแล้วก็ร่างกายโทรมลงมาเหลือแต่กระดูกเป็นต้นอาการทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายที่เราคอใจมันเป็นข้อน่ารักคือว่าน่าเกลียด มีการศึกษาในเรื่องนิวร์ต้องถอยหลังไปอาการตัวนี้คือว่านวาสีก็ดีธาตุสีก็ดีปริกูลบักก็ดีทั้งสามด่ายการนี้เป็นเครื่องหักล้างกามชั้นทะเราพิจารณาว่าสิ่งที่เราต้องการว่ามันสวยสดงงามในความจริงมันสกปรกเหลือแสนมันมีสภาพมันก็ถงอุจาระ เพื่อที่ได้ให้พิจารณาแบบนี้นะจะมานนั่งว่ากันละเอียดจี้กันทุกจุดแตามันก็ไม่ไหวถอยหลังไปดูตัวเดิมถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ว่าเสมอไในจิตเป็นสมาธิจิตทรงตัวจริงๆอารมณ์จิตก็จะรู้สึกว่าร่างกายของคนแลสัตว์ที่เราหลงรักนะั้มันเป็นของสกปรกอารมณ์เบื่อที่เรียกกันว่านิพิทา ย, ยานมันก็จะรากฏ อารมณ์ทรงตัวจิตวางเฉยในความพอใจในความรักระว่างเพศมันก็จะปรากฏที่เรียกว่าสังขารุปเกฆายานันหรือว่าถ้าด้านว่าด้านสมถะก็เรียกว่าตัวสมาธิทรงตัวอุปเบกขาในสมาธิเกิดขึ้นอารมณ์เกลียดอารมณ์รังเกียดร่างกายเป็นเอกาตารมเป็นอารมณ์ทรงตัว และความวางเฉยที่ร่างกายของคนสัตว์เป็นของน่าเกลียดเป็นที่ไม่พอใจใจเรามีความสบายไม่ลงหลายไฟฝันในร่างกายมันก็ปรากฏอย่างนี้เรียกว่าเบขายวลมในด้านสมถะภ า, าวนาเป็นนั้นว่าถ้าลมอย่างนี้เกิดขึ้นจิตเราก็รู้ว่านี่เราสามารถตัดนิวอณนได้ด้วยการใชหนึ่ง ปริกูระบับพิจารณ า, าการสามพิบสองสองธาตุรบับพิจารณาเริ่มหน้าของธาตุสี่สามนวสีระบับพิจารณาด้วยเมือมีสภาพร่างกายเหมือนกับศาสศต์ตอนนี้ถ้าหากว่าสําหรับมีวรตัวทีสองความโกรธความเหยีบัดไม่เกิดขึ้นกับจิตหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นจิตเราก็รู้อยู่ว่าเกิดขึ้นต้องเอาสติเข้าไปคุมไว้เสมอ นี่ได้รู้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาทางหักร้างให้มันพินาศไปวิธีหักร้างความโกรธและความพยาบามนี่ความจริงอยู่ทางท้ายนะแต่ผมว่ามาใช่ก่อนเอามาใช้แตนน่ตอนนี้ตอนนี้ท่านบอกให้รู้อยู่แต่ผมคิดว่ารู้อยู่แล้วก็ทำลายเสยเลยถ้าไม่เกิดนั่นแล้วก็ใช้พรมีฐานสี่ซึ่งมีอารมณ์ตรงกันข้าม ความโกรธความเย้าเยบาทเป็นอารมณ์แห่งความโหดร้ายแต่ว่าเรามีหานสี่เป็นอารมณ์แห่งความรักสงสารซึ่งมีอาการต่างกันโดยที่เรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนทุกคนในโลกที่เกิดมานี้ไม่มีใครต้องการศัตรูคนทุกคนต้องการความเป็นมิตร แด้คิดทุกอย่างที่ทำไปก็ทำไปว่าคิดว่ามันดีแต่ถ้าว่าที่เกิดไม่ถูกใจเราขึ้นมาเป็นที่ไม่ชอบใจเราทั้งการกระทำของเขาคนดีการพูดก็ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าการรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าการหลงผิดของเขาเราจะทำยังไงกับเขาเมื่อก็าทำอย่างนั้นจิตเราก็ให้อาภัยเป็นอาภัยทานเสีย โดยมีความรู้สึกว่านี่เขาหลงผิดไปในเนื้อแท้จริงๆเขาไม่มีความต้องการอย่างนั้นนี่สำหรับในมหาปฏิปฐานได้ใช้พรหมิหารสี่คือเมตตากรุณาสำนึกการเป่นเครหักล้างอารมณ์ความโกรธและความเสียาบาดความจริงอารมณ์อย่างนี้ควรจะมีประจำจิตกันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามีความรู้สึกนอนตื่นกันแล้ว พิจรารณาว่าร่างกายของคนรละสัตว์สุขปรเราจะให้อาภาัาายกับบคุคคลผู้กระทำความผิดโดยมีความเข้าใจผิดคิดว่ า, าการอย่างนั้นมันเป็นของดีจัดเป็นอภัยทานอย่างนี้เมื่อจิตเราทรงได้การอย่างนี้ก็ชี้ว่าเราหักล้างความโกรธความจ็บบาดได้ แล้วจิตเราก็รู้ว่านี่เราหักล้างด้วยความโกรธความชั่วบาทพยาบาทเช่นได้โดยการของพัมวิหารสีก็จําไว้ได้จิตใจของเราแค่ทรงพัมวิหารสีเป็นปกตินี่มาความง่วงเหงาห้องนอนทีนี้มิธะจิตคลางกายค้างก็หมากายขี้เกียจไอตัวง่วงขึ้นมาเนี่ยมันขี้เกียจเมือความง่วงเหงาห้องนอนเกิดขึ้นเรารู้ชัดว่านี่ความง่วงมันเกิดขึ้นแล้ว แต่การความง่วงม่เกิดขึ้นเราก็รู้อยู่เราต้าบอกว่าถ้าไม่ง่วงเหงาเข้านอยเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่ในเมว่าความง่วงเกิดขึ้นแล้วเราหักล้างทําลายไปด้วยาการอย่างไรเรารู้อาการอย่างนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาใช้าการหักล้างพระพุทธเจ้าทรงเคยแนะนําพระโมคคลลาในขณะที่ไปเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าในเขา ตอนนั้นเกิดความง่วงองสมเด็จพระสัมมาสัมพธธุทธเจ้าสงเสด็จไปแนะนําว่ามุกคลานะถ้าความง่วงมันเกคยขึ้นเธอจนลืมตาให้กวา้างเอามือขยี้ตาบ้างงั้นดูดาวเสบ้างเอาน้ําล้างหน้าเสบ้างลุกขึ้นเดินเสบ้างมันจะได้คลายความง่วงอาการง่วงกับการเพลียต้องระวังให้ดี บางทีตอนกลางวันเรามีงานหนักไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนร่างกายมันเพลียต้องการพักผ่อนเราอาจจะเข้าใจว่าความง่วงก็ได้ต้องระวังเลยครับดังัในเวลาหัวค่ําก็ไม่ควรจะใช้ความพยายามให้มากนักควบคุมกําลังใจพอสมควรก็นอนพักผ่อน ตื่นขึ้นตอนดึกจิตใจเราสบายร่างกายมีร่างกายมีกําลังดีหายจากการเพลียก็เร่งรัดปฏิบัติความดีก็ดีสี่องค์สมเด็จประ จ, จีนสีกลา่าเนื้อุทจกักขุจจกขจักอารมณ์ที่มีการฟุ้งซ่านไร ล, ลาคัญอารมณ์ฟุ้งซ่านไรําคัญนี้นี่เวลานี้เราศึกษาในมหาปฏิปัะธานนสูตรจิตเรารู้อยู่ว่าเวลานี้มันฟุ้งเหลือเกิน ควบคุมกำลังใจไม่อยู่องสมเด็จพระบรมครูบอกให้หันเข้าไปใช้อนาปานุสติใือว่าอนาปานุสติมหาสิบฐานการกำหนดรูดลมให้ใจเข้าใจออกตอนนี้ไม่ต้องภาว น, นาหรือไม่ต้องพิจรารณาถ้าไปภาว น, นาและพิจรารณาเข้ามันจะฟงใหญ่ ก็เลยไม่ต้องภรวนาและไม่ต้องพิจารณาเอาแต่เพียงว่าเรากําหนดรู้เอาเอากันแต่เพียงว่ากําหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกเวลานี้ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเอามันแค่ลมหายใจให้จิตเป็นอยู่เฉพาะลมหายใจเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ ในการทําอย่างนี้อย่าทำให้มากนักทําระยะเวลาสั้นๆสอง น, นาทีสามนาทีห้านาทีสิบนาทีเป็นอย่างมากเห็นว่าถ้ามันจะสจร้างจริงๆแล้วก็เลิกมันซะเลยถ้าทนไม่ไหวจริงๆเลิกเพกาะตามธรรมดาจิตเราจะไปดังนั่งบังคับให้มันทรงตัวจริงๆไม่ได้แต่ว่ามันมีสภาพท่องเที่ยวมานาน แล้ก็เวลาทำก็ไม่ควรจะตั้งเวลาแน่นอนเวลาไหนสบายนั่งท่านไหนยืนท่านไหนนอนท่านไหนเดินอยู่ใช้ได้หมดไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิให้มันเป่งที่อย่างเดียวนีวิจิกิจิชาข้อสุดท้ายความสงสัยในคําสั่งเลําสอนพระองค์สมเด็จตัศมาสมพุทัเจ้าตอนนี้น่าจะสงสัยมากที่สุดก็คือร่างกายสุรกระเบื เราก็ไปดูที่คนที่เรารักที่เราเห็นว่าสวยรูปสวยนักเสียงเพราะนักกลิ่นหอมนักอะไรเนี่ยไปดูจริงๆใกล้ๆเวลาที่เขาถ่ายอุจาราปัสสวะออกมาแล้วไปดูที่ว่าอุจาราปัสสวะของแกจะมาสะอาดหรือสกปรกอุจาระเป็นอาหารที่กินเข้าไปปัสวะเป็นน้ําที่ดื่มเข้าไป เวลาที่แกถ่ายเข้าไปแล้วมากินเรามาดื่มได้ไหมแกจะง่ายๆแค่นี้ยไม่ต้องว่าแตกรนละเอียด น, นั่งนึกก็วันร่างกายทางร่างกายมันมีอะไรบ้างหันไปดูปริกูระบถ้หันไปดูธาตุสี่แล้วก็หันไปดูนวสีเก้าว่วาแต่งเก่าว่ายังไง ว่าแสภาพที่พระพุทธเจาาา้ากล่าวว่าสขปรกน้ำมันสขปรกจริงไหมแล้ว น, นี้ต่อมาก็มาในตอนท้ายท่านบอกว่าจงยายึดถือร่างกายคือว่าธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เป็นธรรมส่วนนี้ไม่ใช่กายคือการม่ฉันท่พยายามบาตตุทะจะอุทะจะ อ, อ, อะไรกัแล้วก็วิจิกิจฉาความสงสัยหรือว่าความงงเงงาหัวนอน ทั้งหมดนี้ท่านบอกว่าจองอย่ายึดถือมันเลยอย่าถือมันไว้อย่าให้มันมีอยู่ในใจเพราะว่าถ้ามันมีอยู่มันก็สร้างแต่ความ ร, าร้อนรอนไม่มีความสุขอย่ายึดถือมันเป็นอารมณ์ขึ้นชื่อว่ารูปสวยเสียงเพราะทิ้งไปจากอารมณ์ของจิตเพราะร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันมีไม่มีสภาพทรงตัวมันเต็มไม่ได้ความสกปรก อารมื์่งความโกรธความพยายามก็จงทิ้งไปเสียเนี่ยความพุ่งร่านจงควบคุมกำลังใจให้สงตัวขึ้นช่อว่าความสงสัยในสภาวะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายและโลกนี้เป็นอนิจังทุกอย่างของโลกมันไม่เที่ยงสภาวะของโลกมันเป็นทุกขขังมันเป็นทุกข์มันก็สลายตัวไปในที่สุด ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีการทรงตัวและเรายังย่าถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรองสมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าเมื่อเห็นแล้วก็สักตว่าเห็นจงอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราจงคิดไว้แต่เพียงว่าไอ้เจ้าร่างกายเราร่างกายเขาที่เป็นอารมณ์สร้างในวอนนี มันก็สักกะว่าเป็นที่อาศัยของจิตเท่านั้นมันเป็นสภาวะเต็มไปได้วยความสกปรกมันเป็นสภาวะเป็นปัจจัยที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความรักผิดจิตมันเป็นสภาวะที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความโกรธความยมะบาเป็นปัจจัยของความชั่วเราจะไม่ยอมรับนับถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไป เราไม่ยอมยึดถือในร่างกายด้วยและก็ไม่ยอมยึดถือในวัตถุทุกอย่างในโลกว่าเป็นราเป็ของเราถือว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้เกาะมันไว้ใจก็เป็นทุกข์อารมณ์ของเราจะเป็นสุขได้เพื่หนึ่งเราไม่ติดในร่างกายและเราก็ไม่ติดในวัตถุนั้นหลายอารมณ์ใจของเราก็จะเข้าถึงที่สุดของความทุกข์ื่อพระนิพพาน อรบรนดาประโยชคารวจรทุกท่านการเวลาที่จะแนะนํากันวันนี้รีบพูดไปหน่อยเพราะว่าเรื่องยาวขอทุกท่านจงทรงอารมณ์พิจารณาตามที่แนะนํามาแล้วนี้และทบทวนมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบทนี้เพื่อจิตบริสุทธิ์ของท่านจึงกว่าจะถึงเวลาอันสมควรที่หันเทียนที่จะเหนว่ามันจะสมควรของท่าน จะเลืิกมื่อไรก็เลือกได้ตามอัธยาศัยเวลาปฏิบัติจะนั่งกันดอยจจยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้จ ะ, ไดจะนั่งท่านาาาั่งคัศมาทิพพเทียบนั่งเก้าอี้ห้อยขาได้ทุกอย่างทางกายให้มันดีเข้าไว้จะไปฝืนมันใจจะได้มีความสะดวกเราสมบัติวันนี้ก็ข อ, อยุติคําแนะนําไว้แต่เพียงเท่านี้